ปิดโทรศัพท์แล้ไม่ต้องฟังหดอกคณะฟังธรรมะถ้าไม่ปิดด้วยแล้วก็กี่ยมาใจสติออกจากใจก็อยู่กับโทรศัพท์แหละในขาดขาดธรรมะ <c oughs> เพราะอย่าไปสนใจอะไรตั้งแต่ก่อนยุค ก, ก่อนมันไม่มีเครื่องเหล่านี้มันมีแต่เครื่องขยายเสียงเขาเปิดในที่ต่างๆนั้นก็ไม่มีเสียงเข้ามา เกี่ยวกับหูอันเป็นเหตุให้กิดต้องวางตัวเองสติวางจากใจสติวางจากความร<ม>ู้ก็ไปสู่เรื่องอย่างอื่นมัปิดไว้ <c oughs> นะโมทัสสะพกะกุศลอรหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะกวะ โตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะงวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะกิตตังธัณตังสุขาวหันติอิมัสสะธัมมะริยายัสสะอัตโทสาทายัสสะมันเตหิสกจังโส ตับโบตีต <c oughs> ั้งกายให้ดีเข้าที่เข้าทางนั่งให้สบายสบายวางมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงปล่อยวางทอดทุระหายใตนะภายนอกทั้งหกรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะ ธรรมลมธรรมลมนี่แหละสำคัญมันจะแทะเข้ามาเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเจ้าสัญญามันเป็นผู้จดจำเป็นผู้บันทึกเนี่ยมันก็ยื่นเข้ามาหาใจทำให้ใจนี่รู้เจ้าสังขารก็ปุง้งเนี่ยเพราะฉะนั้นมีสติไว้ ไม่ให้ความรู้ไม่ให้ใจอนี่เอ็เอียงไปตามอารมณ์ข้างหน้าข้างหลังให้ตั้งอยู่ตรงกลางคือรู้อยู่ที่ความรู้เรียกว่ารู้อยู่ที่ใจสติคือทมเครื่องคุ้มครองอันนี้ว่าสติสัมปชัญญะ ธรรมที่มีอุปการะต่อธรรมประเภทอื่นได้แก่สติธรรมสัมปชัญญะธรรมสตินี้มันฝึกมันเจริญมันกำหนดมันตั้งใจรู้ระลึกรู้อยู่กับใจนี่แหละให้รู้ว่าใจมีสติคือความระลึกรู้ มันกําหนดอยู่เื่อยก็จะเจริญจะเจริญเป็นกําแพงเครื่องคอบเหมือนกันกับเครื่องคอบลมคอบไฟครอบดวงไฟไม่ลมปะทะดวงไฟดวงไฟก็นิ่งนี่ก็เหมือนกันสตินี่เป็นเครื่องคอบอบทันิงว่า เป็นพลังความะระลึกรู้ะระลึกรู้บ่อยๆบ่อยๆเรเป็นสัมปชัญญะคือความรู้พร้อมในปัจจุบันจิตปัจจุบันใจของเราเนี่ยแหละนึกอะไรก็รู้ปัจจุบันรู้อะไรก็รู้อยู่ปัจจุบันนี่ตั้งสติให้ดีตั้งกายดีแล้ววางมือขวาทับมือซ้ายน้อมนึกะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วทำสติรู้อยู่ที่ใจของตัวเองพุทโธพุทโธเนี่ยอืสโหมีหน้าที่ฟังสัมผัสกับเสียงใจเนี่ยสัมผัสเสียงไม่ได้เป็นธรรมชาติรู้ ถ้าเราปิดหูปิดอะไรหรือวิญญาณหูเนี่ยมันไม่รับเรื่องเสียงแล้วก็เท่านั้นแหละใครจะพูดอะไรจะเสียงอะไรจะทำให้เสียงดังขนาดไหนมันก็ไม่สัมผัสเข้าไปใจไม่รู้ว่ามีเสียงก็รู้ว่าจะมีรู้ในตัวเองเนี่ก็นอนรู้ โทพู้โทพูทโทอยู่กับความรู้หรืออีกอันหนึ่งอุบายอุบายการฝึกจิตที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้นำมาให้ใครก็นำมาให้ใจของเรานำมาให้จิตให้ใจของเราแต่ให้พึงรู้ว่าคำว่าจิตจิตตังจิตตังเป็นธรรมชาติ นึกคิดท่านว่ากิตตังคือผู้นึกคิดใจคือผู้รู้เป็นธรรมชาติรู้สัญญาเป็นธรรมชาติจำหมายสังขารเป็นธรรมชาติปรุงแตง่งวิญญาณเป็นธรรมชาติรับรู้เนียเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขนาันห้ารวมเข้ามา ใจที่ลูล่อันเดียวเป็นมหาเหตุเพราะฉะนั้นลู้หายใจเข้ากำหนดนับหายใจเข้าพุทโทพุทธโทพุทโทหนึ่งพุทโทสองไปถึงสิบ เนี่ยเอาไหมหนึ่งสองสามไปถึงสิบไม่ให้เผอถ้ามันเผอก็จะรู้ดอลู้ด้วยตนเองนี่กำหนดเอานี่แหละหายใจเข้าหายใจออก 1, รู้พุท1หนึ่งรู้พุทโทสองไปถึงสิบเอาไหมจากหนึ่งไปถึง 10, สิบชำนาญแล้วที่นี่ก็ถอยกลับพุทโทสิบพุท โอเก้าพุทธแปดท้อยลงมาแบบนี้ท่านพอรีท่านสอนอยู่ในานาปาณาสติภาวนาของท่านพอรีถ้าเป็นนับยาวๆกำหนดยาวๆาวมันเผลอมันลืมอีกเพราะว่าสติธรรมของเรามันยังไม่เข้มแข็งในวิธีตั้งตั้งใจเรียกว่าตั้งใจปฏิบัติธรรม สติให้ต่อเนื่องความระลึกรู้ให้ต่อเนื่องจนเป็นสัมปชัญญะถ้าสัมปชัญญะมันไม่เป็นขณะนั่นจะรู้คร้อมไปเลยมามันละเอียดแล้วการกําหนดนึกบริกรรมเนี่ยมันละเอียดเข้าไปมันเป็นสัมปชัญญอะอันจะเข้าไปรู้ที่อัอันจะเข้าไปรู้ เหมือนกับเสียงกับหูเนี่ยมันก็ได้ยินแ่ะแต่เป็นเสียงเสียงบบาๆคล้ายๆกับเป็นเสียงแห่งความรู้ไปเลยก็ขเข้าใจในความหมายธรรมะที่เสียงครูบาอาจารย์ท่านอธิบายไปอนี่เรียกว่าทาสติตั้งมั่นมีได้สมาธิจากการฟังเสียงกลอมไปเนี่ยให้ตั้ง ให้ตั้งใจตั้งสตินี่แหละใจนี่แหละเป็นฐานของธรรมะธรรมะมันมีหลงกับรู้ถ้าหลงท่านก็เรียกว่าโมหะธรรมหรืออวิชชาธรรมถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็เป็นปัญญา ธรรมเป็นวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นวิชาธรรมจนถึงขั้นกำลังของสติปัญญาเป็นวิชาชอบกลายเป็นแสงสว่างแห่งธรรมจิตใจของเราเบ่งบานด้วยความรู้นั่นละ ด้วยความรู้ความเห็นยอมรับความจริงในสภาพสักแต่รู้สักแต่เห็นสักแต่ได้ยินไม่มีอะไรเข้ามาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาภายในจิตใจของเราที่ให้ตั้งความสังเกตตั้งความสังเกต ตั้งใจที่เรียกว่าตั้งใจตั้งใจระลึกรู้ให้ชอบให้เป็นสัมมาสติคือความระลึกชอบความระลึกความระลึกชอบคือร ะ, ะลึกระลึกรู้ใจของเราระลึก ร, รู้ความรู้แล้วก็ระลึกรู้กายนี่ท่านเรียกว่ารู้ รูปประธรรมนามธรรมมีสองอย่างธรรมคำว่าธรรมธรรมนี่ก็เป็นสมมุติเป็นคำสมมุติรูปประธรรมก็เป็นสมมุตินามธรรมก็เป็นคำสมมุติถ้าธรรมแท้ที่รู้ละรู้วางแท้แหละไม่มีไม่มีสมมุติเหนือสมมติน่ะ เหลือแต่ธรรมชาติรู้ตื่นเบิกบานละวางว่างท่านยังว่าว่างนอกว่างในว่างนอกว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับรูปเสียงกินรสโพธพะอะไรต่ออะไรก็เข้ามาเหลือแต่ใจที่เป็นธรรมชาติรู้ ก็ว่างในอีกแม้แต่ใจนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนฮั่นจึงเรียกว่าเป็นธรรมชาติความรู้ความเห็นอันนี้มันจะเบ่งบานหรือมันจะเบิกบานเปิดเผยขึ้นต่อเมื่อการเจริญมรรคหรือการปฏิบัติที่เราฝึกซ้อมอินรียห้า พละห้าที่ท่านจัดไว้เป็นหลักพละห้ายินศรีห้าก็เป็นเรื่องกายกับใจเกิดอยู่ที่ใจนั่นแหละเป็นฐานศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมั่นเช่นในวันนี้ทุกท่านทุกคนเชื่อมั่นว่าจะมีการอธิบายธรรมะ หรือจะมีการมารับบิณฑบาตทานเราเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าแล้วะทานดังเม ป, ปริสุทังทานคือการให้เป็นเรื่องประกอบด้วยเมตตาธรรมคุณธรรมแห่งเมตามตาเมตตาปัทนาให้เป็นสุขการให้ทานเพื่อสงเคราะห์บุคคลผู้ที่จะได้รับสิ่งที่เรา ให้ทานไปได้รับประโยชน์นี่เรามีความเชื่ออย่างนั้นว่าการทําทานเป็นการแบ่งปันความสุขหรือความมีที่เรามีอยู่อันไห น, นพอจะแบ่งปันกันได้ในส่วนวัตถุนี่มีความเชื่ออย่างนัจึงได้มาทําทานนี่เมื่อความเชื่อตั้งมั่นว่าจะได้ประโยชน์ จากการให้การแบ่งปันแล้วก็มาทำทานแล้วทำจิตใจที่มันฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระเดจจ้าคือหลักแห่ง การปฏิบัติต่อตายกับใจอันนี้ว่าศีลศีลนี่มีสติน่ละเป็นตัวตั้งเบื้องตนอ้นจึงจะเรียกว่ามีความสำรวมมีความระวังศีลสังวรสังวร จะพูดในเรื่องวาจาซึ่งวาจานี่มันก็เป็นธรรมชาติมาจากกายเครื่องมือเหมือนกันกับเครื่องรับเครื่องท่งอะไรเขามันก็เป็นธาตุร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ไม่วิปริต จึงจะกล่าวมีเสียงออกมาได้ถ้าเกิดความมิผลิตเนี่ยก็ไม่มีเสียงเนี่ยอย่างบางท่านบางคนเวลาแต่ก่อนก็เสียงดีๆอยู่เวลาเก็บป่วยทางสมองทางอะไรที่นี่การที่จะส่งเสียงออกมาไม่ได้เดียพูดถึงนี่พูดก็ไม่มีเสียงก็ต้องใช้กิริยาการ แนจรงว่าเสียงเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนรูปก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนรูปร่างกายของเราแข้งขามือเท้ามันเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องศีลท่านสํารวมสํารวมระวังไม่ให้ไม่พูดคําที่ไม่เป็นประโยชน์คําไหนจะเป็นโทษท่านไม่ให้พูด น, นั่นเรียกว่าสํารวมระวัง ผู้มีความสำรวมรู้เหตุรู้ทรรโทษรู้คุณเรียกวกาเป็นผู้มีศีลมีศีละสังวรทางกายก็เหมือนกันกายกรรมวิจิกรรมกายกรรมมีสติจะก้าวจะเดินจะทำอะไรทางกายสิ่งที่จะทำไปนั้นนั้นมีเหตุ อย่างไรแล้วทำแล้วจะเกิดผลอย่างไรท่านจึงสอนว่าให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้สถานที่รู้บุคคลนี่การที่จะฝึกสติปัญญาให้รู้รู้เหตุรู้ผลทำอันนี้มันเป็นเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้รู้ตนก็ว่าเรา อยู่ในฐานะอย่างไรหรือคอมเป็นอยู่อย่างไงคือก็รูปกายรูปใจของตนเองนั่นแหละคำว่ารูปตนรูปตนรูปเหตุรูปผลรูปตนรูปประมาณการไปการมากันอยู่กันกินกันยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการจาเนี่ยให้รูปประมาณลูปเหตุรูปผลรูปตนรูปประมาณรูปการอีกการเวลาการนี่ทำนี่การนั่นพูดอันนั้น มีรูป ก, การแล้วก็ให้รูปสถานที่อย่างสถานที่นี่เป็นสถานที่ให้มาพูดธรรมะแล้วก็มาปฏิบัติทางกิจภาวนาก็ให้ต้องตั้งใจฟังหรือพูดๆก็นำเรื่องธรรมะมาพูดสู่กันฟังนี่เรียกว่ารูสถานที่สถานที่นี่เป็นที่ฟังธรรมะมมแล้วก็รูปบุคคลอีก บุคคลนี่มีนิสัยอย่างนี้เขามีประเภณนี้อย่างนี้อะไรต่ออะไรก็ต้องรู้นี่เป็นเรื่องของสติกับปัญญาเป็นเรื่องของสติกับปัญญาที่เบื้องต้นพุทธเจ้าสอนศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นมรคานำเนินไปสู่ความพ้นจากทุกทั้งหลายทั้งปวง ท่ญญานเนี่ยว่าเป็นมะคาไปพันนิพพานคํางว่านิพพานนิพพานก็คือความไม่มีทุกข์ให้มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรในใจมีแต่ใจรู้เฉยๆนั่นแหละอืมเป็นอุเบกขาธรรมนั่นแหละท่ญญานเนี่ว่านิพพานนิพุติยันติความดับสนิทแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่พระเจ้าสอนศีล ส, สมาธิปัญญา ศีลเกี่ยวกับกายกับวาจารสมาธิเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะทำความตั้งมัน่นรู้ระลึกรู้อุบายที่เขาองทรมก่อนก็นี่แหละอนาปานาสติเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีในธรรมะที่ท่านจัดไว้เป็นหมวดหมที่ท่านเขียนไว้แล้วที่นี่มีในตำนานหรือว่า ในพระไตปิฎกแท้ก็คือตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนที่ยังมีจิตมีกายอาศัยกันรู้สึกรู้สึกนึกคิดรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอันนี้แหละตัวพระไตปิฎกแท่อยู่ตรงนี้ตัวคำสอนแท่สอนไปจากนี้ทำความรู้รละลึกรู้ปลูกศรัทธา เชื่อมั่นลงไปเนาะเนี่ยแหละไม่ถอนไปอย่างอื่นกำหนดรู้หายใจเข้าพุทโทหนึ่งพุทโทสองพุทโทสามไปถึงสิบพุทโทหนึ่งพุทโทสองไม่ให้มีช่องว่างขาดไปคิดปรุงอย่างอื่นไม่ถึง3ามสิบนาทีไม่ถึงชั่วโมง จะปรากฏว่าความรวมแนบแน่นแน่แนสนิทเป็นที่ตั้งมั่นคงขึ้นขอให้จับหลักนี้หลักการเจริญสติสมาธิเพราะว่าคำว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อสติแน่นหนามั่นคงอย่างนี้สมาธิ ไม่ต้องไปคิดว่าจะทำให้มันเกิดอย่างนุ้นอย่างนี้หรอกทำสตินี่แหละให้มีกำลังแล้วก็พลังที่จะสกัดกั้นอารมณ์ทั้งหลายก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันกับนายช่างชลประทานหาวิธีที่จะกั้นกระแสน้ำไม่ใช่ว่าไปหา ไปคิดไปว่าไม่ให้กระแสน้ําให้กระแสน้ำเนี่ยไม่ให้มันไหลไปเะอ่ยเพียงแต่ว่าหาอุปกรณ์นายช่างคํานวณแน่นหนามั่นคงสร้างเขื่อนให้ดีตามการคํานวณแน่นหนามั่นคงนั้นน้ำมันไหลมาจิลรนิชิดแคหน่อยเนี่ยมันผ่านไปไม่ได้มัน รวมกันมากขึ้นมากขึ้นกำลังแห่งความแข็งแกร่งของฝ่ายของชประทานมีกำลังเหนือกำลังน้ํามันก็อยู่เองมันไม่ไปไหนได้หรอกทนี่ก็เหมือนกันคาว่าสมาธิคือความตั้งจิตมั่นในอารมณ์มันเดียวเพียงแต่ทำสติไม่ให้พังไม่ผห้เผลอก็ เ, เป็น สมาธิคือความตั้งใจมั่นคมคืนอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่กัามันแยกกันเป็นคนละอันไม่ใช่สติเป็นอันหนึ่งสมาธิเป็นอันหนึ่งความจริงมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นเทียงแ ต, แ ต, แต่ว่าไม่ทำเหตุแห่งการที่จะเป็นสมาธิให้เกิดขึ้นเท่านั้นแหละคือไม่ทำสติให้แน่นหนามั่นคง น, น, น, น, น, นี่อนาปานาสติสติรู้หายใจเข้าหายใจออกอันเดียวเท่า น, นั้นแหละไม่ต้องไปคิดว่าเออทํำยังไงจะง่ายทําอย่างนั้นจะง่ายจะรู้ทำเช่นทำกิต จ, จะเป็นสมาธิง่ายทําแบบนี้ง่ายไม่ต้องไปวิ่งวุ่นคุณมัวปุงฟุง้ง <c oughs> นี่ให้จับหลักอันนี้แหละ <c oughs> ให้จับหลักหายใจเข้า รู้นึกพูดหายใจออกรู้นึกโทมหรือจะไม่ไม่นึกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันแน่วจริงๆผลก็จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าสมาธิคือความเป็นอิสระของใจนี่พูดมาถึงเรื่องศีล แค่สมาธินั่นแหละเรื่องศีลก็คือสังวรกายวาจานั่นแหละในเบื้องต้นแต่ความจริงมันมันสังวรสำรวมใจสติควบคุมใจแล้วมันยึงจะไปรู้ทันการที่จะพูดมันยึงจะไปรู้ทันการที่จะเคลื่อนไหวทางกาย พอเจงเขาถึงว่าทำไมถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าญาติพี่น้องพอความเผลอสติชั่ววูบนั่นแหละด้วยเห็นนี่จังว่าสํารวมใจสํารวมใจให้มันมีสติระลึกรู้ไว้ก่อนจนเป็นความตั้งมั่นเห็นโทษในความพังเพง เห็นโทษตัวเองที่ไม่พยายามปฏิบัติธรรมในจุดนี้ส่งไปหา่จะาทำง่ายๆเอาง่ายๆนี่จอลงเขาตรงนี้ไม่มีที่อื่นหรอกมีทางเดียวมักอทังกิกามาโคมักที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา รวมลงสตินี่แหละสติไม่พังเผยอได้ช่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทขาดสติเมื่ อ, อไหร่ก็ประมาทเมื่อนั้นขณะนั้นนั่นะสามารถที่จะทำความผิดพลาดได้หรือกิดนี่หรือสัญญาหรือความนึกคิด <c oughs> มันจะสายไปตามอารมณ์ที่มันมีกำลังเหนือสติ ถ้าสตินีกำลังเหนือสัญญาอารมณ์เลยมันก็แค่ปะทะอละ้วนั่งก็ไปมันไม่ผ่านเข้าไปหาใจได้หรอกหรือว่ามันไม่ทำลายความตั้งใจได้ถ้าสติไม่กล้าเนี่ยมันก็ล้มความตั้งใจล้มเช่นเราตั้งใจเออจะกำหนดรู้เนะ นวนลูกพุโทโธพุโทโธให้ได้สิบครั้งไม่เผลอ <c oughs> เดี๋ยวไปยังไม่ถึงห้าหกอ่เผลอลืมแล้วอันนั้นเรียกว่าขาดขาดธรรมะขาดความเพียรไม่เป็นไรพยายามเนี่ยนี่สร้างฐานของธรรมะกีสร้างสติสมาธิ เนี่ยเป็นฐานถ้าฐานของธรรมะในขั้นปัญญาที่จะพิจารณาความกิยงแล้วนั่นไอ้ไอ้สุดท้ายน่มันเป็นเรื่องสติกับปัญญาแต่ว่าถ้าไม่มีฐานคือสติสมาธิก่อนแล้วปัญญามันจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดเหมือนอย่างพวกเราไปศึกษาไปเรียน ธรรมะใช่ปัญญานั่นอันนี้จดจำได้แล้วก็เอากำหนดดูอย่างว่ท่านให้พี่นาความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของกายของจิตหรือของขันธ์ห้าก็เปนนเ็นึกเอานึกเอานึกอานั่นก็ไม่ขาด <c oughs> เพราะมันไม่ใช่เป็นปัญญาความรู้ ที่แท้จริงโดยเห็นนี่ลหละอย่าไปสงสยัยท่านผู้ใดเคยตั้งสติกำหนดมีอารมณ์อะไรในเบื้องต้นตั้งใจกำหนดรู้อย่างไรแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าปรากฏว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามสัญญาลมอย่างอื่น <c oughs> นั่นแ่ะถือว่า ใช้ได้แหละในเบื้องต้นอืมบางทีมันรวมวู้กเข้าไปเปลี่ยนสภาวะไปเห็นอันนู้นอันนี้หรือไปลู่เรื่องน่นเรื่องนี้ข้างนอกอืมอย่าตามไป <c oughs> ต้องทําทําความรู้เท่าทันน้อมขึ้นมาหาผู้ลู่คือใจของเรา <c oughs> อันนี้จะไม่ผิดถ้าไปเห็นน่นเห็นนี่ลู่อันนั้นมันเป็นความรู้ไปเรื่อยเอย ตามไปส่งออกนอกไปเรื่อยอันนั้นฉิเพอการสร่งจิตออกนอกเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะมันจะกลายเป็นอุทจักกุก จ, จักความฟุ้งซ่านลำคาญของใจมันไม่เป็นเรื่องของปัญญาถ้าเรื่องของปัญญานันมันไม่เกิดความฟุ้งซ่านลำคาญ เนี่ยลูกเข้าไปลูกเข้าไปมันวางมันปล่อยเหมือนกันกับเราสอบเราเรียนอะไรนี่แอ่ะเขาออกข้อสอบมาถ้าเราเข้าใจตามข้อสอบนั้นเราเขียนเขียนไปไมมีความสงสัยแต่มันไม่เข้าใจตามเป็นจริงลังเลสงสัยลังเลสงสัยเนี่ยมันก็เลยเกิดทุกข์นี่ก็เหมือนกันสติปัญญารู้ธรรมะ รู้กายรู้ใจของตนเองรู้ความรู้รู้ความหลงเนี่ยมันจะมีรู้กับหลงอยู่ด้วยกันแล้วกอ็อยู่ที่ใจที่ผูร้รู้รู้นะไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่การเขียนการพูดการอะไรนี่ให้พึงสังเกตให้ดีนี่แหละ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ความสุขทางใจเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าการมีสมมุติภายนอกมีปัจจัยสี่เข้าของเงินทองเกียรติยศท้าบรรดาศัก์อะไรก็แล้วแต่ไม่พ้นจากความทุกข์ เพราะว่าทุกมันเกิดเพราะความหลงความไม่รู้ตามเป็นจริงความสำคัญมันหมาย <c oughs> มันหลงสมมุตินั่นแหละหลงสิ่งที่สมมุติอยู่ไม่ได้หลงอะไรหลงสมมุติน้องเขามาละเอียดก็เรียกว่าหลงตัวเองคือใจนะ่ะใจหลงใจหลงใจหลงกายส่วนที่เป็นรูปนี่เพราะฉะนั้น ได้หากันมีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะให้ความสุขให้ความรู้อันแท้จริงก็มาเจริญสติสมาธิปัญญาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฝึกสติให้มีขึ้นที่ใจ ให้มองมากส่วนปัญญานี่ปัญญาที่มันเกิดเองก็มีสิท่านแสดงไว้สุตตะมยะปัญญากินตะมยะปัญญาภาวนามายะปัญญาน่ะปัญญาเกิดจากได้ยินได้ฟังก็ต้องมันก็ตึกตองตามนั่นแหละความจริงแล้วมันก็อยู่ด้วยกัน ทำว่าสุตะกินตะภาวนาสิภาวนาเนี่คือมันกําหนดให้มากทําให้มากนั่นท่านเรียกว่าภาวนาคือทำสภาวะที่ไม่รู้ให้มันเกิดความรู้สภาวะที่เผลอๆละเลยให้มันมีสติสัมปชัญญะขึ้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนาอืมภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากภาวนา ปัญญาเกิดจากการฟังพอได้ยินได้ฟังก็รู้เข้ารู้เรื่องรู้เงื่อนอก็มีความเข้าใจนี่เป็นปัญญาในขั้นหนึ่งก็เพราะมีการตึกตองไข ค, ควรตามนั่นแหะถ้าเราฟังแล้วใจก็ลอยไปอยู่อย่างอื่นเรื่องอื่นอ่าไม่ได้ไขควรตามเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมันก็ไม่เกิดปัญญา เพราะฉะนั้นสุตตะคือการได้ยินได้ฟังกินตะก็อยู่ด้วยกันไข้ควรในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วอืมแล้วก็จะเกิดความเข้าใจตามถ้าเข้าใจตามทำที่แสดงนั่นก็ถือว่ามันเป็นความรู้ความเข้าใจของเราเองไม่ใช่ใครผู้ใดไปยกความรู้ความเข้าใจมาให้อืมเพราะฉะนั้นใน ภาวนามยะปัญญาเนี่ยคือพินิจพิจารณาฝึกฝึกการนึกคิดไข้ควรที่แรกจะเป็นเรื่องสัญญากรเช่นทันให้กำหนดรู้ในกายของเราอ่ะอีกไม่นานร่างกายนี่มันจะแตกดับสลายมันจะตายอันนี้เป็นเป็นเข้าเป็นตัวตั้ง ท่านให้ยกกายเป็นที่เรียนเป็นที่เรียนเป็นที่แยกแยะพินิจที่เย็นหนามันยังไม่เป็นที่แรกตั้งสติเมื่อเราทำสติให้มี <c oughs> ความระลึกลู้ตั้งมั่นก็กำหนดรูดในกายมังกายลือกายด้วยสัญญาซืีอก่อนถอนผมกำหนดร่างกายนี่ เบี้ยงบนมีผมเป็นที่สุดอย่างอาผมถ้าตัดออกไปหรือถอนออกไปแล้วมันก็มันจะเป็นอย่างไงมันก็เป็นสภาวะห น, นึง่งผมคนได้ฟันหนังเนี่ยรื้อออกไปถอนออกไปนี่เรียกว่าเป็นอุบายสร้างปัญญาถ้าสติแน่นแฟน้นประชุมรวมเป็นสมาธิ มั่นอยู่ในตัวมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงอันท่ความเห็นความเห็นตรงความเห็นชอบสมาธิธปัญญาสมา ธ, ธิความเห็นชอบอันเดียวเนี่ยถ้ามันไปชมลงแล้วสิ้นสุดความลุ่มหลงทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ต้องมาตามค้นตามคิดตามนึกอะไรมันละ นี่อันนี้สงของปัญญาสติปัญญา ป, ปฏิบัติธรรมะเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องไปหามาที่ไหนอยู่ในกายกับใจของเราทั้งหมดเพียงแต่สร้างพลังตะปะธรรมหรือกําลังคือสติเท่านั้น่หละดังในเบื้องต้น ตั้งใจกำหนดรู้เขาไปเลยหายใจเข้าหายใจออกเป็นฐานในเบื้องต้นพอมันได้กำลังปุ๊บเดี๋ยวมันวางลมหายใจเลยปัญญามันจะเดินพิจารณาเรื่องอะไรก็กำหนดรู้ไปตามเรื่องข้อสำคัญให้สังเกตว่ามันประมวลลงสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหรือไม่หรือมันพิจารณาไปคิดไปแล้วมันก็ยินดีพอใจไปกับ ความดีอันนั่นความสวยงามอันนี้ความได้มาอย่างงั่นอย่างนี้อันนี้อันนี้เรียกว่ายังไม่เห็นถูกยังไม่เห็นชอบ <c oughs> แต่ก็ฝึกไปนั่นแหละฝึกไปก็รู้เท่าทันเอออันนี้ยังยังไม่ใช่ยังไม่เป็นปัญญาเห็นชอบถ้าปัญญาเห็นชอบสติสมาธิมันจะประชุมเป็นกําลังแล้วรือที่นาไปที่นาทิ้งว่ะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยที่พระพาหิยะไปทูลถามพุทธเจ้าขอฟังธรรมสุดท้ายจากพุทธเจ้าพุทธองค์ก็เพียงแต่ว่าสักแต่รู้สักแต่เห็นสักแต่ได้ยินพาหิยะท่านเข้าใจปึงไ้เล ย, เยก็ว่างกิตของท่านเรียกจะธรรมชาติรู้ไม่นมีอุปท า, าน เขาประยึดถือนั่นเปนนั่นเป็นนี่ <c oughs> เรียกว่าเข้าใจสักแต่รู้สักแต่เห็นสักแต่ได้ยินให้มีความหลงปิดบังมันก็เรียกว่าไม่มีกิเลสเป็นตัวคุ้มครองเพราะธรรมะคุ้มครองคือสติปัญญาณชอบนั่นแหละเปิดโมหะอวิชชาหรือเปิดความหลงถ้าพูดไปจต่เบื้องต้นว่ามันเปิดมัน ชนะความขี้เกียจขี้ข้านความไม่อยากกําหนดรูปไม่อยากกําหนดดูกายดูจิตของตนนั่นแหละมันจะชนะไปตังแต่เบื้องต้นเรื่อยๆมันจะมันขยันดูกายดูจิตดูกายดูจิตลูกกายลูปจิตของตอนเองน้องคืนมาเรืๆๆ่อยๆเรื่อยๆไม่หลงไปข้างนอกนี่ให้ปฏิบัติอย่างนี้แหละในวันนี้ได้นํา ข้อปฏิบัติหรืออุบายที่ได้ประพฤติปฏิบัติหรือที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไม่มีธรรมบันใดเป็นธรรมคุ้มครองธรรมที่ละเอียดขึ้นไปก็มีสติธรรมสัมปชัญญะธรรมที่ท่านบอกไว้ในหลักสองประการนี่แหละจะทำสมาธิความตั้งมั่นของจิตให้แน่แน่ก็ต้องสติเมื่อเพอ เดี๋ยวปัญญาจะละเอียดทะลุมองจนเห็นโลคสมมุติทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรของใครทั้งหมดเลยก็จะเหลือแต่ความว่างของใจความว่างของธรรมชาติรู้คำว่าสุขทุกข์อะไรไม่ปรากฏในนั่นเป็นแต่ธรรมชาติรู้ละว่างว่างว่างเฉย ก็จะรู้ได้ด้วยตนเองได้อธิบายธรรมะเพื่อให้นำไปเป็นอุบายประพฤติปฏิบัติในการฝึ ก, กจิตใจว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตอันเดียวนี่แหละฝึกไม่ได้ก็ก่อเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ในจิตในใจนี่แหละฝึกได้แล้วนำความสุขมาให้ ถ้าจิตใจสุขซะอย่างเดียวอจิตใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรวุ่นวายเดนื่อยร้อนนี่ได้ยินได้ฟังแล้วจงน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวายใจาจิตของตนของตนแตน่ละท่านแต่ละคนด้วยความไม่ประมาทด้วยความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมความสอนของพุทธเจ้า อย่างกิงจังแล้วก็จะได้รับผลคือความสุขกายสบายใจในเบื้องต้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปจนทมที่สุดแห่งทุกทั้งหลายโดยชอบด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้ากธรรมพระสงฆ์บุญกุศลขณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทมบาเพ็ญมา จงเป็นภาะระปัจจัยเป็นกําลังหนุนนําให้ดวงจิตดวงใจของเราประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาอั้าหรือแม้นว่าปรารถนาสิ่งใดในสมมุตินี่ทีเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทําแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเธอ